ควรพิจารณาให้ดีเกิดมาแต่ละชาตินี่กลัวจะได้พบพระพุทธศาสนานี่ไม่ง่ายนักบางชาติก็ไม่ได้พบเลยเพราะว่านานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลก ไม่ใช่ว่าจะไปพุ่มเฟื่อยเมื่อไรทางนี้ก็เพราะว่าต้องอาศัยบา ร, รมีไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆเราจะไปตัดรูเอาไดเลยต้องอาศัยการสร้างกุศลคุณงามความดีต่างๆมา ถึงสิบอย่างนั่นคุณธรรมที่พระโพธิสัตว์เจ้าบำเพ็ญอันนี้แหละเป็นสักขีพยานนะให้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงก็พระบารมีสิบประการ น, นี้เองนะเป็นสักขีพยานนะนะใครที่ว่า พระพุทธเจ้าไม่มีอย่างนี้นี่ผู้นั้นแสดงว่าผู้นั้นน่ะไม่รู้จักคุณธรรมสี่ประการมีฐานะบา ร, รมีเป็นต้นมีอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดไม่เห็นอนุภาพแห่งพระบา ร, รมีธรรมเหล่านี้ว่าจาก สามารถปันดาลให้บุคคลผู้กระทำบำําเพนให้เกิดให้มีขึ้นในตนนั้นสามารถเป็นไปได้ผู้จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระปัจเจกก็ดีเป็นพระอัคคสาวกก็ดีหรือเป็นพระสาวกธรรมดาก็ดีโมนีจะสําเร็จได้ ก็โดยอาศัยคุณธรรม1ิบประการนี้เองไม่ใช่ว่าไม่มีแบบมีแผนนะชีวิตของคนเรานี่นะมันมันมีแบบมีแผนอยู่มันเป็นไปตามแบบแผนแต่แบบแผนนั้นนะมันก็อุปมาเหมือนยังแผนที่นั่นเองเลย แถนที่ที่เขาวาดไว้บนกระดานหรือหน้ากระดาษ จ, จังหวัดนั้นอยู่ทิศนั้นจังหวัดนั้นอยู่ทิศนี้ห่างจากกันเท่านั้นกิโลอะไรบอกระยะทางไว้หมดเลยแผนที่แล้วมีอะไรอยู่บ้างมีแม่นม้ำมีถนน มีสิ่งสำคัญต่งตตางๆเขาก็ทำเครื่องหมายบอกไว้บรร น, นี้แผนที่นั่นนะมันก็เป็นแผนที่อยู่นั่นแหละมันไม่ทำให้คนเรานั้นดีหรือเลวลงถ้าว่าคนเราไม่ได้ทำตามแผนที่นั้นมันจะไม่ได้ดีขึ้นและไม่ได้เลวลงเลย อย่างเช่นทางจากน้องคายไปหากรุงเทพมหานครอย่างนี้มีมีอยู่หกร้อยกิโลเมื่อบุคคลไม่เดินไปหรือไม่นั่งรถไปมันก็ไม่ถึงจะรู้แต่ตำรารู้แต่แผนที่เท่านั้น ไม่เดินไปอย่างนี้ก็ไม่ถึงเลยนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็อุปมามันยังแผนที่ของโลกดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเมื่อบุคคลไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ได้ยินได้ฟังมาแล้ว มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแกผู้ที่ได้ยินได้ฟังมาหรือได้เรียนได้จํามาไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเลยหมายความว่าพระธรรมคําสอนนั้นไม่ได้กาจัดกิเลสบาปธรรมออกจา ก, กจิตใจของบุคคลผู้เพียงแค่จําเอาไว้ได้เฉยๆเท่านั้น ไม่ได้ลงมือทาหมายความว่าอย่างนั้นเต้นอย่างว่าความโลภอย่างนี้นมันมีอยู่ในใจของคนเราทุกคนเละก็เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆอยู่ถ้าไม่มีกิเลสเหล่านี้ชีวิตนี้ก็ไม่มาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนี้เลย ก็เพราะอาศัยกิเลสเหล่านี้แหละมันจิตใจมันยึดถือเอาไว้แล้วมันก็บรรดานให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างอย่างนี้นะอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่ลงมือกาจัดมันมันก็จะไม่ดับไปจากจิตใจนี้เลยความโลภหมายเอา การปล่อยกิตให้เพ่งเลงไปภายนอกไปเกาะไปคล้องอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆเมื่อมันเพ่งไปพอๆพอ้าไปความอยากความต้องการมันก็มีมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะ ในสํารวมอินทรีย์โดยเฉพาะมอิทรีย์นั่นแหละอินทร์อินทรีย์คือใจนั่นแ่ะตรงใจไปแต่ภายนอกนีนน่ไปหมายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผาสต่างๆไว้ในใจเสมอเสมอวิตกวิจารไปในรูปในเสียงเป็นต้น ว่ารูปนั้นสวยงามรูปนี้ไม่สวยไม่งามเสียงนี้ไพเราะเสียงนั้นไม่ไพเราะอะไรหมดนี่นะนนที่ตกวิจาร เ, เข้าไปเท่าไหร่ความต้องการปรารถนามันก็มีมากขึ้นเท่านั้นแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกัน เมื่อมีจิตคิดเพ่งเล็งไปภายนอกมากเข้าไปไปเห็นสมบัติของผู้อื่นมีมากกลัวของตอนอย่างนี้มันก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาจึงได้วางแผนหลอกลวงท่อโกงจี้ปร้นเอาเพราะการที่มันเพ่งใจไปภายนอก ไปหาวัตถุสิ่งนั้นไม่หยุดไม่ยั้งนั่นเองเนี่ยมันเป็นเหตเุให้คนเราได้ทำชั่วแม้ผู้กระพฤตผิดในกรมทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยเพราะอาศัยสัญญาอารมณ์ที่เป็นอนดีต น, นั่นเองเมื่อมันได้เห็นรูปเป็นต้นแล้วมันเกิดชอบใจขึ้นมา จะเป็นสามีของเขาหรือเป็นภรรยาของเขาก็ตามเมื่อมันยึดรูปารมณ์นั้นไว้ไม่ยอมปล่อยวางอย่างนี้มันก็แน่นอนนะความอยากความปรารถนาในรูปนั้นเมื่อกดขึ้นสุดขีดมันเมื่อมันขึ้นสุดขีดแล้วอย่างนี้เรื่องบาปกรรมนั้นไม่ได้ไม่ท้องคำหนึ่งถึงมันแล้ว ก็ต้องไปแสวงหารูปที่ต้องการนั้นจนได้ไม่ได้ด้วยเล่ ก, ก็ได้เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยคนก็เอาด้วยมลคาถาไ ม, ไม่ได้ด้วยมลคาถาก็เอาด้วยเงินมีเงินมีเท่าไหร่ก็จ่ายมันออกไปนี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังว่า ขึ้นเพ่อความโลภแล้วนะมันก็เป็นเหตุให้คนเราทำบาปอย่างนี้นะแหละมความโกรธความหลงก็เหมือนกันเลยนี่นะทำไมจึงว่าไม่มีงานที่จะทำคนเราคิดดูให้ดีมันไปนึกถึงจากการงานภายนอกนู่น การทำนาทำสวนทำการค้าขายทำการช่างต่างๆบูนี้ไองานละกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจไม่คำนึงเลยไม่ทำเลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะไม่นึกว่ากิเลสบาปธรรมเหล่านี้เป็นศัตรู ต่อชีวิตจิตใจของตนไม่ได้นึกได้คิดไม่ได้พิจารณาเลยเรื่องมันนะเอเดนคนส่วนมากมันถึงไม่ได้ภาคเรียนพยายามละกิเลสบาปธรรมเหล่านี้มีแต่สะสมเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับเป็นความโกรธอย่างนี้นะ อันความโกรธมันจะมีกำลังแรงกล้าขึ้นไปโดยลำดับนั้นก็เพราะไม่ได้เจริญเมตตาธรรมให้แกกล้าขึ้นในใจิตใจหมายความว่ายังเลือกที่รักหักที่ชังอยู่อย่างนั้นจิตใจนะก็ไม่ใช่ว่ามันจะ โปรดไปอยู่ตลอดเวลาเอา้าถ้าหากว่าบุคคลใดที่เป็นนัเป็นบุคคลที่น่ารักก็รักไปถ้าบุคคลใดที่ตนเห็นว่าเป็นน่าเกลียดน่าชางังก็เกลียดชังกันไปแม้ผู้นั้นจะทําความดียังไงก็ไม่สนหรือว่าไปจับ เอาความผิดของเขาเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นว่าเป็นความผิดมากเป็นคนเลวไปทั้งหมดแล้วก็แสดงความเกลียดชังหาทางกระทบกระทั่งเข้าไปก่อเรื่องให้ทะเลาะวิวาทกันวุ่นวายไปเลยนี่นะบุคคลผู้มี จิตใจปราศจากเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันก็เป็นเหตุให้สะสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเรื่อยๆไปโมลีมันมันขึ้นอยู่กับการกระทาทั้งนั้นไม่ใช่เหรอลองพิจารณาดูอันนี้เรียกว่างานทางใจอย่างว่าการเจริญเมตตาอย่างนี้นะ มันก็ต้องน้อมสติเข้ามาสำรวมจิตไวยภายในนี่แล้วก็นึกถึงตัวเองและนึกถึงผู้อื่นมาเป็นอารมณ์แม้เราเกลียดทุกต้องการความสุขฉันใดบุคคลอื่นและสัตอื่นมันก็เกลียดต่อความทุกต้องการความสุขเหมือนกันกับเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์แม้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จะได้มาเบียดเบียนเราก็จงอาโหสิกรรมให้กันและกันต่างคนก็ขอได้รักษาตนของตนให้พ้นจากทุกข์จากภัยอันตรายนั้นๆเถิดหากว่าหัดคิดหัด นึกอย่างนี้เสมอเสมอไปนะนานเข้ามันก็เกิดความรู้สึกในตัวเองและรู้สึกในบุคคลอื่นและสัตว์อื่นขึ้นมาเรียกว่ารู้จุดประสงค์หมายความว่างั้นแหละอ๋อจุดประสงค์นี่ทั้งของตัวเองและบุคคลอื่นนี่เหมือนกันหมดเลย อพอราลึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดเพ่งเลงไปในบุคคลอื่นด้วยความเกลียดชังด้วยความอิจฉาหรือเสีเลยบบนี้นะมีแต่นึกคิดอธิษฐานจิตขอให้เขาเป็นสุขทุกข์ทุกหน้าอย่าได้ผูกกรรมผูกเวรผูกโกรธผูกกยาบาัตต่อกันและกันเลย ถ้าหากว่ามันนึกคิดอย่างนี้ไปบ่อยๆแล้วมันก็ทําให้จิตใจนั้นอ่อนน้อมอ่อนโยนลงไปไม่แข็งกระด้างต่อบุคคลใดและสัตว์จาพวกใดแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นหรือว่าสัตว์จาพวกนั้นมันจะแสดงอาการให้หน่าเกลียดน่าชังอย่างไรมันก็ไม่เกลียดไม่ชัง ไอ้อย่างนี้นี่มันต้องนึกถึงกรรมของสัตว์ควบคู่กันไปนี่มันถึงจะไม่เกลียดไม่ชังได้ถ้ามันลืมนึกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเงของตนแล้วอย่างนี้มันจะไม่ยอมให้อภัยเลยคนเรานะนั่นแหละ <c oughs> ถ้าเขาแสดงบทบาทไม่ดีมาต่อเราเราก็ต้องแสดงบทบาทไม่ดีตอบโต้กันไป นี่เนื่องจากว่าไม่ได้กาหนดพิจารณาถึงกรรมของสัตว์นี่อีกอย่างหนึง่งถ้าได้พิจารณาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดฝึกฝนอบรมตนมาอย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ น, นิจใสใจคออันนี้นะมันเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมมาแต่อดีตชาติหนนหลังนูน่น อีกอันหนึ่งก็เกี่ยวแก่การครบหาสมาคมกับบุคคลยังเวเสวติตาดีโซ่คบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วไม่มีผิดเลยเมื่อไปคบคนเช่นใด มันก็ต้องน้อมนิสัยใจคอไปเหมือนกับคนเช่นนั้นมันถึงร่วมถูกร่วมทุกข์กันไปได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะร่วมถูกร่วมทุกข์กันไปได้ล่ะก็ต้องพัดภาคจากกันไปเพราะว่านิสัยไม่ตรงกันก็อยู่ร่วมกันไปไม่ได้เป็นอย่างนั้น ไอ้ผู้ที่อยู่ร่วมกันไปได้ทั้งคนดีและคนชั่วก็เพราะว่ามันมีนิสัยตรงกันผู้มีนิสัยชั่วอย่างนี้นะเมื่อไปเห็นคนที่มีนิสัยชั่วเหมือนกันกันกบตนแล้วก็ชอบพอกันเลยเข้ากันได้ผู้ที่ชอบดื่มสุรายาเมาต่างๆอย่างนี้พอเห็นกันเข้าแล้วก็กอดคอกันเลยอืชวนกันไปกินเหล้า อย่างนี้แหละอ้อผู้ที่เป็นนักปรารถนาผิตสนใจในสินในธรรมไปพบกันเข้ากระชื่นชมยินดีต่อกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในทางสินธรรมต่อกันและกันถ่ายทอดความรู้ความฉลาดในทางสินธรรมในทางบุญกุศลต่อกันและกัน ยันนี้นะเพราะฉะนั้นจึงพระศาตราจึงตรัสว่าครบหานพานก็พาไปหาผิดครบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลครบคนชั่วก็พาตัวยากจนอันนี้นะว่าไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้นคนเราต้องให้ศึกษา พิจารณาว่าคนไหนที่เป็นคนดีที่เราควรคบหาสมาคมควรยกเป็นครูเป็นอาจารย์ควรนับถือเป็นมิตรเป็นสหายอย่างนี้นะเราต้องพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในบุคลิกลักษณะของคนนั่นๆ่น เทียบกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าออาคนชั่วนั้นเป็นคนอกตันโูไม่รู้จักคุณของท่านผู้มีอุปการะแกะ่ตนนี่ก็เป็นคนชั่วอีกประเภทหนึง่งอันนี้นะไอ้คนไม่รู้จักบาปกรรมความชั่วต่างๆมูนี ไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปอย่างนี้นะมีความเห็นผิดเป็นชอบเป่นอย่างเห็นไปว่าฆ่าสัตว์นี้ไม่เป็นบาปหรอกแต่อย่าไปฆ่าคนก็นแล้วกันฆ่าสัตว์สิ่งเดรัจฉานนี่ไม่เป็นบาปเพราะว่ามันเกิดมาสำหรับให้เป็นอาหารของคนนี่ผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นในใจแล้วก็ไป ้องเสริมคนอื่นให้เห็นตามตนนะเช่นนี้นี่เรารู้ได้เลยเทียบกับคำสอนของพระ เ, เจ้านะว่าเป็นความเห็นผิดคล้ายๆก็เห็นว่าบาปไม่มีโน่นลนะลือมเหมือนนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะการที่เราจะพิสูจน์คนชั่วนะนะั้นไม่ยากอะไรเลยนะ เพียงแได้นั่งสนทนากันฟังความคิดความเห็นของกันและกันไปไม่นานล้วก็รู้ได้เลยอยงั้นแม้คนดีก็เหมือนกันนะเมื่อเราได้นั่งสนทนาปราศัยต่อการและกันไปแล้วก็ไถ่าถามความคิดความเห็นของกันและกันไป ถ้าหาก็เป็นคนดีจริงความคิดคนเนี่ยเห็นมันก็แสดงออกมาตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างเห็นลงไปว่าถ้าสัตว์ทรัพย์ประพฤติผิดในกาเก้าวมุสามวา ด, ดื่มตุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพสิทธิโทษทุกชนิดเหล่านี้ว่าเป็นบาป ผู้ใดแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ออกมาผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นเป็นนักปราบบัณฑิตเป็นคนดีเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าได้จริงๆแล้วผู้ที่เห็นว่าขันห้านีนะ่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรอย่างนี้นะ กระเชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกเห็นชอบเพราะว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ถ้าว่าเป็นของตัวของตนจริงก็บังคับได้ใครเราจะพปอยากให้มันแก่มันเจ็บมันตายเกิดมาเป็นรูปเป็นร่างอันนี้มาแล้วและต้องอยากให้มันอยู่ยั่งยืนนานไปตลอดกาลนูน่น แล้วที่นี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงเมื่อมไม่เที่ยงแล้วมันก็วันไว้ไปมาผลได้ยากลําบากออย่างนั้นนะในที่สุดมันก็แตกดับลงไปเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันแล้วมาดีเมื่อบุคคลทําดีความดีกรรมดีนะมันก็ นำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดที่ดีมีความสุขความเจริญนี่หมายเอาบุคคลที่ยังสร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็มนะแ็อย่างนั้นหากใครทาชั่วยึดเอากรรมชั่วไว้กรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณนี้ไปสร้างรูปกายอันน่าเกลียดน่ากลัวที่ท่านกล่าวว่าสัตว์นรก ป, ปังเปรตปัง อาสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างให้ดวงขิตนี่ได้อาศัยได้รับทุกข์ทนทรมานไปอันกรรมชั่วเนี่ยมันย่อมนำไปสู่ที่ทุกข์ทงนั้นแหละไม่มีทางมันจะนำไปสู่ที่สถานที่เจริญรุ่งเรืองมีความสุขความสำรัญไม่ไม่มีเลย ถ้าผู้ใดได้ความรู้ความเห็นอย่างนี้ได้ความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้นั้นแหละคนดีขอให้เข้าใจคนดีอย่างหนึง่งได้แก่คนที่เมื่อได้เชื่อมั่นในคำสอนของผู้แต่เจ้าแล้วก็ไม่ละเลยลงมือกระทำบำเพ็ญเพียรไปสิ่งใดที่ทรงสอนให้ละ ก็เพียรละไปสิ่งใดที่ทรงสอนให้กระทำำําบําเพ็ญก็พยายามกระทำำําบําเพ็ญให้เกิดเทียมีขึ้นในตนไม่ท้อไม่ถอยออันนี้ก็เป็นคนดีก็ถ้าเราเห็นความประพฤติของเพื่อนเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยก็ให้พึ่งรู้เถิดว่านั่นเป็นคนดีเป็นนักปรารถน เป็นผู้ฉลาดสา ม, มารถละความชั่วออกจากตัวได้สา ม, มารถทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีเป็นตัวอย่างของคนอื่นได้เมุ่นี้นะคนดีเราอยากรู้จักเราต้องไปสนทนาปลัยสก่อนต้องพบฝาสมาคมกันไปพอสมควรไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเพียงแต่ ต่พบเห็นกันเห็นกันชั่วคู่ชั่วคราวแล้วเห็นเขาแสดงบทบาทความดีอะไรออกมาบ้างอย่างนี้เราก็จะไปเชื่อมั่นว่าเป็นคนดีเป็นคนฉลาดไปทั้งหมดไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องอาศัยครบผาสม า, าคมกันไปพอสมควรสังเกตกันไปสะกก่อนอย่างนี้แหละ เมื่อเมื่อขโมหาสมาคมกันไปมัน ร, รู้กันได้ผู้ใดมีความดีอะไรอยู่ในใจเท่าไหร่มันก็แสดงออกมาให้ให้เห็นได้เลยผู้ใดมีความชั่วยอย่างไรอยู่ในใจมันก็แสดงออกมาทางกายวาจาให้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคนเราเกิดมาในโลกนี้นะพระศาสดาจึงได้ทรง สอนไว้ในมงคลสูตรนะั้นนะให้พยายามเว้นจากการครบหาสมาคมกับคนพานแล้วพยายามคบหาสมาคมกับนักประราชบันลีปุติทันประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลผู้ใดเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่ตน เราก็บูชาบุคคลเช่นนั้นเนี่ยผู้มีอุปการะอย่างสูงสุดก็ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทานพระธรรมคำสอนอันเป็นแนวทางพ้นทุกข์ไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายนี่น่ยคือว่ า, พ ร, าพระองค์มีพระอุปการะคุณแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจนไม่มีที่จะเปรียบได้เลย ลองลงมาก็พระธรรมพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าลองลองมาก็มารดาบิดาครูบาอาจารย์เจ้านายผู้ที่มีบุญวาสนานำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากอริราชศัตรูมูรีล้วนแต่ เป็นผู้มีพระคุณทั้งนั้นเลยเป็นผู้มีอุปการะคุณ <c oughs> เนี่ยเมื่อบุคคลมานึกถึงพระคุณทั้งหลายเหล่านี้แล้ว <c oughs> ก็ลองมือประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาพระคุณเหล่านี้นี่แหละ <c oughs> <c oughs> เราละกิเลสตัณหาบาปประธรรม ออกจากจิตใจก็เพื่อบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนี่ถ้าว่าไม่ยึดเอาพระคุณเหล่านี้มาเป็นอารมณ์แล้วมันก็จะไม่มีแก่ใจในการทำความเพียรละกิเลสบาปธรรมอันมักผมอยู่ในจิตใจนั้นออกไปได้ ี่เพราะว่ากิเลสบาปธรรมนี่ใครใครก็ย่อมจะหยิบยกออกจากจิตใจของคนอื่นให้เขาไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะไปขับไล่กิเลสให้ออกจากหัวใจของคนได้ในเมื่อบุคคลนั้นยังชอบใจกับกิเลสอยู่ เปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทุกคนเมื่อเห็นโทษของกิเลศบาปะธรรมเห็นโทษแห่งอุปทานนักขันคือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในว่าเป็นทุกข์อย่างนี้นะเมื่อเห็นโทษของกีเลศและความยึดถืออย่างว่านี่แล้วเราก็เพียรพยายามละมันออกไปเลยนะละความโลภด้วยการบริจาคทานละความโกรธ ด, ด้วยการ จเจริญเมตตากรุณาด้วยการสมทานมั่นในศีลให้มั่นคงละความหลงด้วยการภาวนาด้วยการจเจริญสมสถะทาใจให้สงบระงับแล้วก็จเจริญวิปัสนาต่อเมื่อทำใจสงบระงับแล้วซึงพิจารณาธาตุสีขันหานี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริง แล้วสอนฉีดนี้ไม่ให้ถือมั่นให้ปล่อยให้วางขันห้านี้ลงไป